เป็นเวลานานแล้วลูกจนเป็นบ้าเป็นเชา้าได้ไผ่ได้เคยผู้มาเกิดเจ้านี้ก็ได้มันเป็นร่วงไปหลายแล้วที่นี่ในส่วนโตของผู้ขาผู้ขากระเพื้องออกหลายแนวแล้วหนึเพื่อให้ให้เบาให้เบาโต เบาของโตงานของโตก็เบาไปภาพกดของโตใส่ชั้นบูชียะเอาเทปมาอัดไรพ่อนะอนข้างกอาตมาหรือผู้ขาก็ดีหรือข่อยก็ดีหรือกูก็ดีคำว่ากูเนี่ยเป็นคำคุ้นเชื่องกันผู้ไทยไม่ได้ถือกันมาเป็นคำคุ้นเสื่องกันคำว่ากูว่ามึนคำว่าเจ้าว่าข่อยเป็นคำของพวกล่า คำว่าผมว่าขับหรือว่าเก้าก็ใส่ตามฐานะของสังคมหรือคนนิยมของสังค ม, ม น, นั่นนที่นี่นี่ยแบ่งเบาออกให้จากพระเจ้าพระสงฆ์หลายเนี่แ ล, แล้วแบ่งเบาออกจากจากับของด้วยให้พระการสำเนียกให้พระกั น, นกหนู่จักญาติของพกันเป็นกบเฝอดอกบัวซื่อดอกบัวคือว่าด้ไม้ว่าโตเป็นดอกบัวดอกไม้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ดอกบัวไม้พระคุณเจ้าแทลพระธรรมแทลพระสงฆ์แผลหนึ่งเก็บป่วยมากก็หวังเป็นนอนข้างขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อแบงเบาใหายนหย่อมปิดตัวเพียงมาไปปวดโลกบ่อนอมบ่อนอมนอนข้างขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อสิเพื่อขีว่าประวัติของตนตอนนี้ออกอีกเพื่อให้มันเบาลงเพื่อรักษาชีว่าประวัติของตนอีก เผื่อแบงเบาคขมยติกับโยมกับมูเพื่อนอีกมีประโยชน์หลายแนวการไปนั่งข้างขึ้นในโรงพยาบาลเป็นโรคมากทำขมยัดไถโยมไปเยี่ยมพยายามแล้วก็เป็นการเสียเวลาเวลาอีกสารพัดถ้าให้พระเจ้าพระสงฆ์จุกจิกแนการไปฝ้อในโรงพยาบาลอันนี้แบงเบาออกแล้วที่นี่การเป็นโทษทั้งพาทั้งตัด กับบอยย่อพายอ่ตัดกับแบงเบาออกจากเจ้าของหนึ่งกับแบงเบาออกจากพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ประพฤติไก่สิทิ์หนึ่งแบงเบาออกจากหยาิจากโน้มหนึ่งอันคุณภาพอันนี้นาทียานโยมหรือพระเจ้าพระสงฆ์จิก้วนพิจานาอันนี้ <c oughs> ที่นี่เวลาตายอันเ <c oughs> คเขียนพี่นกรรมไว้แล้วย่านิพี่นกรรมนี่ยมันบมเนอรอนอีกอัดเทพไว้อีก ตายมือไหนเอาไปเผามือดันตายมือเศ้าเอาไเา อ, เา อ, เอไปเผาเทียงตายก้อนจังหันสันจังหันแล้วไปเผาบ่าต้องล่างบ่ต้องชวยบ่ต้องเฮ็ดหบเฮ็ดลงพวกพึปึปงๆบ่ต้องงันบ่ต้องเฮ็ดตน้นกะะพึกะพกิเพื่อให้ผูน้นั้นมะม่ธนาท น, นัเพื่อให้ผู้นี้มะม่ธนาทนี้บ่ให้ว่า ขันพลายมามาบ่าท่านอาวจะถือกันพลายมาบ่าท่า น, นผู้เผาไปแล้วขันแล้วไปเรื่องขันหา ก, กว่ามี่คนบันไต้ไฟเนื้งมาดูถูกนิ่งท้าว่าโอ้ยใจจืดใจแหงถึงพวกปฏิบัติใจซิดเขาบ่าเอาไว้เขาบ่าเก็บศพไว้กระยาดโนตบตําบลหนองสูงใต้ก็พากันใจจืดใจแหงพดดอก เอาเพ่นไหวจากสามขึ้นเจี๊ยขึ้นเนี่ยกลับ่าได้พ่อให้คนในทิศทางไก่มาเห็นอืมขั้นเขาว่าก็เอาพีน่นายกัมออกอ้างโลดเอาเทพออกมาเปิดโลดว่มีบัณฑิทับทมยอดโนม้มขั้นสร้างจะปากาซื้อนั่นมันว่าสามารถจิจําไ ว, ว้ได้ผู้นึ่งบอกควอมนึงผู้นึงน่งบอกขวอมนึงผู้หนึ่งบอกข้อมนึงอันนี้เขียนไหวแล้วย่างดีแล้ว ล้าสองพันห้ารอยสิบหาุนเทืาหนึง่งสองพันห้ารอยหาผุนเทืาหนึง่งเขออียนไหวแล้วแล้วมามาล่างออกอีกว่ามันเงาโผล่แล้เขียนหย่อยๆติดใจข่วาแล้วขันเมื่อเป็นตังสั้นเนี่ยโนมย่า ม, มาอิจนาและอาใจในผู้ขาเลยย่ามาสงสัยในผู้ขาเลยเงืนส่วนตัวผู้ขากับ บ, บ่มี บ่ไดบอกหอญาดโนมให้มีรับร่มคมนนเอาไปฝากไปเป็นส่วนตัวผู้ข่าเด้เออจักลอยจักมือจักพันน้เท่าไรผู้ขาก็บ่าได้ว่าสำหรับเงินสำหรับผู้ขาพยายามบ้านผู้ขาเอาเงินชงทั้งนี้ไป เชือสามรอยสี่ร้อยับขึ้นมากเขาให้เหลือค่ารถมาผู้ขาวเอามายัดแท่นไว้หรือมีิฉะนั้นผู้ขาวซื้อของมาไวเป็นเครื่องไส้ของซอยในวัดแนว่านี่ผู้ข่าวปรได้แยวเส่ญชวนไวอันนี้มันให้รับหลังก็สระซังเงินเขาจะออกไปให้รับหลังมูเพื่อนอยู่ทั้งๆั้งเชือกเก่าบาทเชือบาทเชือกพันสองพันก็ดีขาเอามาแก่กับหยาดกับกับโมกับเพื่อนกับหยาดกับโยมผู้เก็บเบิอืต ขันว่าเป็นนังสั้นพวกทันทั้งหลายอาตมาสงสัยนะอาตมาวาจะเป็นอย่างไรไปอีกอันไดมันสิเจเลื่อนแก่พวกงาดพวกโงมกายผ้ากันเท็จกันท่ามเขินอย่ามาสงสัยแง่ง่อนอันอื่นอีก <c oughs> สิบ ป, ปีผู้ขา ก, จากะจั่งพยายามบ้านแค่หนึ่งผู้ขากะพยายามบ้านผู้ขากะรักษาภาพโพธิ์ของผู้ขาว่ายย่านหาอุบายเอาเงินไปให้ลูกให้ล้าน เอาสิ่งเอาของไปให้ลูกขายร้านหรือฝากสิ่งฝากของไปให้ลูกขายร้านในทางรับก็ดีโยมอุปถัมก็ต้องรูด้ดีพอจับเงินบ่อืดอันนี้ทีแก้มให้ฟังอืเพราะเงินบ่ออยู่กับผู้ขาเนียอันไหนกับผู้จับผู้ขาวันแม้จิผู้พาสิฝากพาไปไม่นึงก็ดีหรือว่าหนึ่งสองว่าก็าดีเนี่ยนิยมก็ต้องหัวจักมดพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องหูวจักมอืด แล้วผู้ค้าก็ไ่ได้เฮ็ดไส่กับเถอะคันเมนื่อเป็น น, นักสั้นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคันนี้จิตการทุรขึ้นก็กรอกแก ะ, กะึ้นในวัดในว่าเป็นบางข้างบางข้าวที่ญาติโยมปรุงแจ้งขึ้นกว่าดีที่พระเจ้าพระสงฆ์ปรุงแจ้งขึ้นกว่าดีเท่าที่มันอดมันอยากมันขับมันแคบนล้วญาตมาเอาเรื่องกับผู้ค้าเออญาติมาเอาเรื่องกับผู้ค้า ให้ากันซอยกันเฮ็ดกันท้ำให้มันแล้วนี่จากเพลนอย่าหามันนักอกหนักใจเพิลนให้เอาใจแท้กันทั้งหยาดทั้งโยมก็ดีถ้านี่สำรับเนีิยโยมเลยพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาสงสัยในผู้ข่าประกันได้ใดก็เป็นค้อมผิดของท่านทั้งหลายบ่าเป็นข้อมูลของผู้ข่าเพราว่าตะยุในนี้ผู้ข่าไปเบนอื่นผู้ข่าก็เฮ็ดแบบเต้านี้ในเรื่องซบๆเชบๆก็ดี นี่เืองเงินเรื่องข่าก็ดีบวชได้อยู่วันนี้เอาไปใส่จกศวัดตายเลย้วอ้ผู้ขาบวชที่มาสีเหตบวชนาแขกแต่บวันี้แม่งไปบวัไหนอยู่บวชไหนผู้ขากรเฮ็ดยังสี่สเมสเมอสเสมอเสมอเสมอแต่พัดบวชมาออกนี้มาจากมวไส้ตต่างหนึงก็ไ่ได้เอามาหรอกพราะม้ายพวกเก้านี่ผู้นี่จูมคุ้มออกก็ไสมากับนึงเออผู้นี่จูมคุ้มออกก็ไสมาหอหนึ่ง บ่าเอาแบงเอาหากับมุวนดครับตองมีผูหผ้หายอษฐ์เมื่อผู้หายเมก่อเดือนดาไม่ย่ดอกโอษฐ์อันนี้ผู้ขากับบ่อามาผู้ขากับยงหันชีภาษาของหกพืนึงกับบ่อามาบ่อามาหน้าผา ข, าข้าชิงมากนี่ภาพโพดของผู้ขาก็เลียงซีแล้วแ บ, เบงเบาห้ยกัญญากัญยมดแล้วฮะนี่ญาติยงมจะสามาสงสัยกินเนียงแข้งแก่กับผู้ขา้าส่วนใดๆกระต่ายตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่แต่บนน้งน้งไตเขาดูถูกทิ้งท่าว่าเอาพูกขาไปเผากอนอบ๊วยป่อยให้ิ่อมในชิดตั้งซีมาเห็นนก็เอาพินัยกรรมในออกอ้างเอาเทียบในออกอ่างแม้ว่าองสั่นว่าผู้ขาเสื้อพ้นของกรำและกรำที่ตนสามไหวมี่ในในเมื่อเวลามีซีวิตอยู่บวังสิขูดสเกาวญาติยมบวัชสีหางแห่เอาซบเอาเงินมาให ผู้ใดมาโมทนาในศพในเ ม, มีมพระเจ้ากระสงค์อยู่ในนี้เวลาผู้ขาตายไปแล้วให้พระกระเกียมบินทบาทหน้าบ้านคุณมีพริกมีเกลือเอาไส้นั่นแหละถ้าบุญอุทิศหาให้มันสงบสงบไปพระตองมหาวากุศลศร้าพระบบตองนิมนต์พระเจ้าพระสงค์ทั้งไต่ทั้งเนื้อไม่ให้หูมหอมหอม่ย่งมันอยากมันบุญมันวายสถานทีก่กรบอสะดวก แล้ววัดบ้านวัดปลาน้ำอมแอมสั้นเท่านี่เท่ามีศรัทธาจังไร น, นี่จหหังไรเทาจังไปถวายเพื่อนของอยู่ในวัดนี่นี่จังไรว่าพระเจ้าพระสงฆ์ซะพระเจ้าพระสงฆ์กระเบ้ากันให้มันโก่มคืนกันซะอันนี้เป็นขอสําคัญนี่สร้างไว้ทีสร้างเสียไว้บะตองว่าเฮ็ดรูปไปซื้อโูปมากหรือเห็ดอัดแกรบจะให้มันเหม็นจะซ้อน ม, มือซมือจะซื้ากันวา่าวใสผ้ากันเอาไปโลดคณะาก้า แถวบ้านมาก่าท่านพระเผากอนเดชสุภาพกันเอาพิษเอาถื่อวาหาวาจะเถื่อฮาว่ า, าบอกเคารพนับถือมเฮ็ดขวางเฮ็ดกายอาศุข้ากันหาวาจังสั้นผู้ชาต้องแบงเบาออกบัดจากเจ้าของและจากผู้อื่นก่อนเนี่ยขันหาผู้ได้เก็บผู้ได้ปัวยอยู่มีธุระไปทั้งอื่นมากว่าท่านก็ตามบ่เห็นก็สร้างแต่สร้างไว้แล้วท่านชี้ลาวกว่ก็ดี แล้วกัท่านอินกด็ดีคันโตมาเพท่านเขาเขาเผากอนมู่โตยามาทะเลาะกันเลยว่าสัตวบอกคักแล้วตอนหนึ่งผมว่าเป็นทั้งชั้นญาติย่ยอมมัมีท่างสงสัยอัตมาอันไหนมันสิดีอันไหนมันดีเจริญตามสถิติกําลังของเจ้าของด้านภาวานากิดาวานาลงด้านก่อสารประเทศไปตามสถิติกำลังเดี๋ยวนี้มันพออยู่แล้วกุฏิลังนี้มันมีปัญหาโยประเทศเฮียร์ญาติยมทั้ทงไกลโย สังมาเฮ็ดง่ามแทะว่าสังกะเงิ่อนของเขาดิกระเงิ่อนของเขาบ่กระเงื่อนเข้าไปขุดไปเก่าแทบบ้านจักสีวายยังไงฮะเนี่ยบ่กระเงิ่นเข้าไปขุดไปเกา่าแทบบ้านนี่ขอนึงพระเจ้าพระสงฆ์อายุคือตุกขีนี่ เ, นหเหมือนห้างเฮ็ดละเนี่เฮ็ดรับญาติโน้มสัมาเฮ็ดร้ายแหละเฮ็ดใหญ่แทะว่าสังกระมันมาเนี่ยเงียดกันแล้วหลายข้างแล้วผู้นั้นก็จะขี่เฮียไปขี่พ่น ไปขีบ้านเพอะออกก้าหุ่นพวกมาที่จนตะบุรีก็จำเป็นก็ต้องในเฮดที่แรกก็มากระว่าที่เพราเฮ็ดับหน้กุตีรั้งนี่นื้อโยมสวัสดีว่าโอ้ยเอาน้อยก็มานอนนอู่นี่กลางคืนกับล้มผู้จวนมาสัน่นมือเศ้ากับเฝ้าลื้อเต้ดักก็เกลีใจเพิ่นเพิ่นกับภาวนาของเพินาสัน่น เราเฮ็ดกระถูกตุกงอึ้นให้เหขาหน่อยได้เปนยังวะสั่งมุ่งหยาก็เอาดอกก็สั่งเพราะได้เลี้ยงออกนี้จากหลวงปู่จวนวนี่วาสั่งเปิดบ้านสิแล้กก็เลยมาปรึก ษ, ษาก็เอแพทย์กับองคพุตโท้กับพระทั้งหลายกับพุชิบว่าขั น, นห้องเฮ็องเฮมุ่งหย่างมันก็รักษาใัยยาปษษากดจีสั่ยยถสเเงถึงจังไรก็จะได้ที่นไงเติบแดนเถาะวาสั่งแพทย์ก็ดีองคุตโท้ก็ดี ก็แล้วมาเห็ดคืดห่าไงเขาจิถือว่าล้างนั้นเป็นล้างง่ามกัวพระเจ้าพระสงฆ์อยู่เอ้าเขามาหาคนสิบคนทราคนเขามายัดเยียดกันอยู่งห่าไันกันออกสิได้คนใดจักรเปล่าเม็ดเอ้าเห็คืดวางสั้นข้าเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ปูแล้วแคบๆสองเมตรสาเมตรจะอยู่ผู้เดียวยังบุรีก็อันนั่นบ่ ไว้จงังแสนเลาะเข้าสิไปถืบจังแสนก็ถือเข้ก็มาหลายคนเขาก็นอนเรียบกันอยู่บ่แม่นเขา้าสิปารถนาเข้ามาเมื่อเขามาแล้วกับบ่แม่นนาทีเขาเข้าสิหามเขาเขาสิปารถนาเข้ามากเขาถือคืบ ก, กันเาสิเฮ็ดหางเาหี้ยวไอ้เข้ามา่าเขาถือคืบ ก, กันพราการเฮ็ดอันนี้คื น, นมันไม่มนเงนียเงียดเ็นประสบตาอยู่เลยจังเฮ็ด้ น, นี่ว่ามันเฮ็ดหางเหียวไวก้กอนพอใจบอกเออ มันเป็นจังชันว่างานาที่ให้งานโยมพงจักบิดอันเม่นี่แตบนน้องชุงไตไม่ลาผู้ขาตายไปเขาตีตีเตียนกระตามโอ้ยพวกโยมปฏิบัติใกล้ชิดบเฮตกับวดพ่อผู้อื่นกับพ่อขอเอาเงินไหวจักมือสองมือสามมือเนี่ยกับวัดไซมันของหน่อยพันศาวพันม่าเพ่กับวัดเตะกระตอรอสีก่ยังก็เฮตใจจืดใจแหงพอรกมา ขันมี้พวกทั้งขั่นก็เอาอันนี้ออกโลดเอาพี่แน่กรรมออกโลดขันสร้างไว้ถ้าปากเขซื้อเขาจบตีพวกเจ้าได้บูจักบอกแต่มันพราะที่เป็นไปได้เพราะที่เจริญในจิตในใจท่านจะคล้องในพักกันเฮ็ดขันนี้อะดรมันเหลือวิสัยกต่แค่พักกันเฮ็ดเข้าใจบอกเนี่ยแล้มันเหลือวิสัยสต่แ่ือพักกันเฮ็ดการก่อสร้างการก่อสร้างอันนี้มันพ้อแล้วเดียวเนี่ยมีแต่ทีรักษาไว้เพให้ปวกให้มดกินก็เอาดอกรว่าก็พวก ข้าม้ามือนั่นเขาก็บอกว่าจะทําทั้งน้ำอยากดิฉันอยากจะมีเสถทาทางทหน้าน้ำโตโตอีกสร้ังใส่กุดนั่นไว้เพื่อให้สะดวกบ้างข้าวางสั่งแล้วบอกเข้าว่าการทําก็ดีอยู่แต่ว่าการทําก็รบกวนประชาชนมากบ้านใต้บ้านเหนือก็ต้องมาได้ขนขึ้นการขนขึ้นลำบากมากต้องรออยู่เสียก่อนพอหมดกําลังแล้วเรื่องขนขึ้นมันของสําคัญมาก เขาก็เล่ล่ออยู่เขาว่าเขาจะมีท่าเฮ็ดทั้งนามบางไงอีกเขาเลยห้ามเขาไว้บ่ได้นี่ก็พ้องแห้งเลยทั้งนามหกทั้งเจ็ดทั้งนี่ไปลวกมืนเขาก็ทอโบดลังนงเลยากก็บด อ, อีกซ้บดยั้งมืนเฮ็ดยู่กรบอลนี่อันนี้โค้นขึ้นยากนี่ในทิวเ่านี้ไมควงมาจากได้่ณทา้งึ้นมาเทิงนี่บากติว่าบากืิว่ า, กกาผีแหงทิวบุญไงอืมนีก็เอการัดไว้ซะก่นอนว่า ถึงว่าหอพี่แห่งศิวุนายเดี๋ยวบอกท่านเพราะพระนี่พรรษาสามสิบขึ้นไปแล้วปฏิบัติตยุคท่านหลวงปู่มันคุณหูเขาก็มีตาเขาก็มีเขาก็สืบยูคเขาก็กกมาต่างคิ้วของเขาไม่เป็นนะท่นเรื่องมันจะสีเห็ดยังไรคนท่าไก่เขาเขียนจดหมายมาหาอาจจะมา อาตมากับต่อไปเฉพาะเรื่องที่เขาถามมาธรรมะหันพูนันนานมากจึงเขียนจดหมายมาเช่นนี้อาตมากัต่อไปแต่เฉพาะหันทำไมไม่มานานแล้วมาเจอหน้าเจอตาสักทีเออทําไมไม่มันมาเยี่ยมเว้นอย่งนีคน ต, อนนนนต่อในจดหมายจดหมายตอบไปทั้งพุ่นเชื่อได้เอามาแจ้งให้สงเบวงเอามาแจ้งนายสงเวงห้างสงสิเพียงโทษว่าประจบประแจกกงกัมหยาขยุ่มใช่ไหมเอาหลับมาใช้โตอรักษาโตัวจดตอนนั่นเด้ นายบอกองสัตเขาเขียนจดห ม, มายมาหาถึงอัตมาเนี่ยอะไรอัตมากไหสงบึงเพื่อสิอยา่มันนี่ไพ่แกจะฟ้องเละ่ะมันเป็นคั้วไปทั้งโลกทั้งสงสารกว่าหรือเป็นค่วมไปจังไหนไหมีสิทธิชนะได้พระเราตอบเขาไปก่อนให้พระอ่านปิดมดหน่หอยวนณท่านนายบอกองสัตร์เอาโหลดว่า เรียกว่ามา่อยู่นี่แบงเบาออกจากเจ้าของหมดเลยแบงเบาออกจากเจ้าของวัแนแล้วมวยองไปนอนในโลกพระยาบาลบวยองไปพาไปตัดเออมันหยากกับเจ้าของหากกับผูอ้อื่นหนกกับญน่า ย, านยาพไไยนุ่มให้มันหนักกันเต็มเฉพาะโจมไปใส่ไฟหันบัเดียวให้มันยากไปลายบอนว่าสั่น <c oughs> สนใจบอว่ามันสืหรือมาถึง ยังม่ถึงเง <c oughs> ียบเหรอเออเจะากูเทียวเหรอเดี๋ยวก็ยูแบบยูแบบแบงเบาให้ตนแลวผู้อื่นเน่ยได้หนจะถือว่านักใจเด้อขั้นไปเฮ็ดวัดยูดินเพียงมันก็ยากกับแผ่นดินเพิ่นยากกับหัวกับสวนเพิ่นขึ้นกันเหะอะชีวามักสา ง, ม, าง ม, ามักแฝงโบเมนเน้ ไปเบิงสาลาเพิ่นดูไปเบิงกุตตีเพิ่นดูอายุสามสิบหกสามสิบเ็ามแปดสขาวหาสีสิ่ข่าวหาซี่สิบระนับเท่ามหานิกายนี่เบิงเสาต่อแต่แค้นฮักเงี้ยเช็ดเพนรูผู้หญิเพิ่นย่อมเอาบนยื่นเสียอย่างแต่หัวชักเป็นเนี่ยนี่มาอยู่นี่แปดปีนซาลาฟากตอออกไปทนอีกไงนี่เขาประดับดินมาหัวซองมันดนอยนี่น่เน ก็ออกประหาอีกปีนึงก็องอกประหันอีกชดละรับพ อ, อ, อ, อดีพ่ อ, องานมารับาอานงานโยมหรือพรจะออกพระสงฆ์สีไม่อิบน้นนาแล้วใจก็จเข้าจังไรขันังการงานอันได้มากเกิดขึ้นก็ก๊กเก๊กในภากันซอยกันเฮ็ดในภากันซอยกันทําแห่น้เาแล้วที่ล่องปูล่องไปนี่บางที่โถเอาหินมาเน่ะบกมันเอามา้วยคนชีลบเส บ, บีง เ, บ, เ บ, บาจากงานจากโยมเสบ่ยงเ บ, บาจากพระ แล้วพระที่มาสงสแข่งใจทั้งไลเงื่อนส่วนตัวห้องกับบมมี่อันนันให้กับบ ม, มีแล้วกับที่ไปเด็ไปเส้าห้องในร่องพยาบาลก็บ่มีีม่สั่ขันพระยังกิ๋แหนงแข่งใจในส่วนเฮาอยู่เลยทัย้งพระฟรังกฤีทั้งพระไถ่กฤษเฮาจะแล้วามันหนีมัดหนีวัศนเฮาสิยุ่มูดเดียวตายพูดเดียวเฮาสิรักษาเอาแต่จะ ก, กุตีรังเดียวนี่ว่านขันการงานไหนมันเกิดขึ้นมาภาคกันค้อบมันปะเฮ็ดวันให้มันแล้วหนีจากจหัวใจเฮาวัศน ยังงานนีเล็กน้อยนี่ยนึ่าเสรห่้พรพ่อแห้ ง, ง แ, แล้วสามสี่มืต่ติ๊ดก่อนแล้วอืมบาดนี้ททเทิ้งไห่ไห้ยมเทิ้งว่างห้ฟังดีดีแกมกันหยอกแกมยิกกะแมน <c oughs> เปื้องมัดอะไรเด้อเปืองมัดอะเด้อมูโตจะถือว่าห้ามาเต็งมากนักกิบนักไก่มูโตเด้อซบเข้ากับ่าร้เกียว ให้เพาโหลดมันมืออึดฟื้นก็เขาถือบอกย้ำอธิฐานเ่นี่ยมคนอืดมันอึดกระดูกไม่แล้วกะเผาถืกระดูกไม่สะทีมโรลดยั่วถือพักการไปวุ่นมันเป็นปัญหาพูมาว่าท่านมาแงามรุ่นแามว่าท่าน มาย้มไหนกับท่านอีูดอกของมันบวคืนแต่มันคืนแล้วโอ้ยได้ยึดข่าวว่าตายคืนแล้วว่าจะว่าท่านอยู่แต่ของม่อืนมาแย้มไหก็ต้องท่านอยู่มัดน่ะมันท่านตายได้จาของกนยังท่านอยู่สมือตายอยู่สมือตายจากเสายบายเทียงท่านตายท่านเกิดอยู่เกิดกัท่านอยู่เพราะว่าท่านตายตายกัท่านอยู่เพราะมันมันก่อนตายเอูจักบอกจัสงหอ้ยังได้ยมด้วันบอ เพาย่านเนี่ยมสิงุงกันไปนี่อนาคตหนอตัดออกแย่ไหนมันนถงใจวะก็ออกตลอดหยุกเต๋าทั้งผุนร้านเหียญทังผุนบอกเขาคักแล้วต้องจับกันยังแล้วบอกเขาคักบอกยามไหนพิ้งห้ยบอกเขาคักและ ตายแล้วจึเขียนหนังสือไปหาเขาเผาแล้วเรียบร้อยแล้วถูอยากกินจยกขัน้นหาพามาบินธบาร์สุกเขาห้อยเกียรงยัดธบาโรโลดไว้สันดอืถู้จะวุ่นว่างสัน่นกองเขากันกระ บ, บอกข้อแห้งแล้วอันนี้ก็คือกัรนายนงกระ บ, บอกให้วุ่นกันโอ้ยเพิ่งตายแล้วโอ้ยไว้สัน่นเผาเหินมาเขียมมีพริกพรแก้วพระบินธบาร์ผ่านบ้านนะกใสไให้ยแหลกกันแล้วท่านเลย เอชพยัญญาอันนี้นี่นี่จกปันกันกับปันละบ่เอะพัอยู่นีเออตามสี่เฮ็ดบุญปหาบนอื่นสงควรเจ็บปประวัติบ้านเห่าที่ปรวัตบ้านโคกเทไรประวัติยังไม่ได้เทไร้เขาก็เอาละบ่เขาก็มีเทไรอยู่ละอันอยู่นี่ขามันบ่มีกันยกมือพูนว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มดแล้วบ่มียังละเว้ยผมทำสองเหยียดเ้มอเว่าวาสนมันก็เล้วท่าดจะไปแฝดไปคอกันทราใจบอกพ่อสารวัตร เอาละให้หน่อยไปคุณตาประเทศที่นี่